ข้อที่ห้วายาวัจไม่ทำบุญด้วยการช่วยเหลือรับใช้บริการคนไม่มีเงินก็ไม่ใช่ว่าทำบุญไม่ได้วั ย, ยาวัจไมยกุศลนี้ทำได้ทุกคนอย่างสมัยก่อนนี้ก็นิยมมาลงแรงช่วยกันในเวลามีงานส่วนรวมโดยเฉพาะสังคมไทยสมัยก่อนมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดเวลามีงานวัด ชาวบ้านก็มาลงแรงช่วยเหลือรับใช้ทำอะไรต่ออะไรคนละอย่างสองอย่างให้กิจกรรมส่วนรวมที่วัดนั้นสำเร็จด้วยดีวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหลายท่านมาทำบุญด้วยวิ ย, ยาวัจจมายกุศลชนิดพันานาได้ไม่มีที่สิ้นสุดคือมาช่วยเหลือรับใช้บริการบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเรือทหารทั้งหลายหรือว่าเ ด, เด็กนักเรียน ตลอดจนญาติโยมก็ามาทํากันทั้งนั้นย้อนหลังไปก่อนวันนี้ก็ามาช่วยกันปลูกต้นไม้มาทําความสะอาดมาทําถนนตลอดจนมาช่วยถ่ายรูปเก็บไว้ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิยาวจจะไมกุศลพูดสั้นๆว่ามาช่วยกันคือเจตนาที่จะมาบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือรับใช้บริการทํากิจส่วนรวมให้สําเร็จ เป็นบนอีกแบบหนึง่ง